พระไตรปิฎกเล่มที่11อพระสูตรที่สอัอคัญยสูตรว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกและวันนักสีสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ปร า, าสาทของนางวิสาขามีข่าวรมาตาในบุพารามเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นวาเสษทะและภารทวาชะซึ่งเคยนับถือลัทธิอื่นมาก่อนหวังความเป็นภิกษุ จึงบรรพชาเป็นสมณเณรอยู่อบรมในสำนักของภิกษุทั้งหลายครั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคทรงออกจากการหลีกเร้นทรงจงกรมอยู่ในที่กลางแจ้งที่ร่มเงาปราสาสครั้งนั้นวาเสษฐาสมณเณรและพารัวาชาสมณเณรพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคจึงรับสั่งเรียกทั้งสองมาตรัสว่า เธอทั้งสองมีชาติมีตระกูลเป็นพรามออกจากตระกูลของพรามบวชเป็นบรรพชิตพวกพรามไม่ด่าไม่บริภาษเธอทั้งสองบ้างหรือถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกพรามด่าบริภาษข้าพระองค์ทั้งสองด้วยคำเหยียดยามอย่างสมใจว่าวันณะที่ประเสริฐที่สุดคือพรามเท่านั้นวันนัทอื่นเลววันนะทที่ขาวคือพรามเท่านั้นวันนัอื่นดา รามเท่านั้นที่บริสุทธิ์ผู้ที่ไม่ใช่พราหมณ์ไม่บริสุทธิ์พรามเท่านั้นเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากโอทคือปากของพระพรหมเป็นผู้ที่พระพรหมสร้างขึ้นเป็นทายาทของพระพรหมเจ้าทั้งสองมาละวั น, นะที่ประเสริฐที่สุดเข้าไปอยู่ในวั น, นะที่เลวทรามคือสมณะล้นเป็นคนรับใช้ข้อนี้หมายถึงกะหา บ, บดีซึ่งพวกวั น, นะพราหม์ถือว่าเป็นคนชั้นต่ำ เพราะยังถูกเครื่องผูกคือเรือนผูกไว้เป็นกันหักโคดคือคนวันณะต่ำเกิดจากพระบาทของพระพรหมเธอทั้งสองมละวันนะที่ประเสริฐที่สุดเข้าไปอยู่ในวันนะที่เลวซามไม่เป็นความดีไม่เป็นการสมควรเลยพระผู้มีพระภาคตรัสว่าวาเสษทะและพารัวาชะพวกพรามระลึกถึงเรื่องเก่าของตนไม่ได้ หมายถึงไม่รู้จักกําเนิดและความเป็นไปของโลกที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีว่าด้วยต้นกําเนิดของโลกอันมีมาแต่โบราณก็เห็นชัดกันอยู่ว่าพรามเหล่านั้นล้วนเป็นผู้เกิดทางช่องคลอดของนางพรามณีทั้งนั้นยังจะกล่าวว่าเกิดจากปากของพระพรหมพระพรหมสร้างขึ้นพรามเหล่านั้นกล่าวตู่พรหมและพูดเทศ พวกเขาจะต้องประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากเรื่องความบริสุทธิ์แห่งวันนะสี่วาเสษทะและภารทธวาชะวันนะสี่เหล่านี้คือหนึ่งกริยัดสองพรามณ์3แพทยในที่นี้หมายถึงพ่อค้าสสูตรคือผู้ใช้แรงงาน กษัตริย์บางพระองค์ในโลกนี้เป็นผู้ผิดศีลห้าคือฆ่าสัตว์ลักขโมยประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นมีจิตพยาบาทเห็นผิดด้วยประการดังกล่ามานี้ทำเหล่าได้เป็นอกุศลมีโทษไม่ควรประพฤติไม่สามารถเป็นอริยธรรมเป็นธรรมดำคือไม่บริสุทธิ์มาแต่เดิมมีวิบากดำ หมายถึงมีผลเป็นทุกข์ที่วินยูชนติเตียนแม้พรามแม้แพทย์แม้สูตรบางคนในโลกนี้ถ้าประพฤตเช่นนั้นก็ถือว่าทำสิ่งไม่ดีทำชั่วเป็นบาปมีผลไม่ดีก่อให้เกิดทุกข์แก่ผู้ทำนั้นเช่นกันทุกวันนะสามารถทำชั่วได้ไม่ต่างกันวาเสตทะและภารทวาชะ แม้กษัตริย์บางองค์ในโลกนี้เป็นผู้รักษาศีลห้าไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขามีจิตไม่พยาบาทเห็นชอบด้วยประการดังกล่าวมานี้ทำเหล่าใดเป็นกุศลไม่มีโทษควรประพฤติสามารถเป็นอริยธรรมเป็นธรรมขาวมีวิบากขาวคือให้ผลเป็นสุขที่วินยูชนสรรเสริญแม้พรามแพทยสูตรบางคนในโลกนี้ถ้าประพฤติเช่นนั้น ก็ถือว่าทําสิ่งที่ดีเป็นบุญมีผลดีให้ผลเป็นความสุขเช่นกันทุกวันนะสามารถทําความดีได้ไม่ต่างกันวาเสตทะละพารทวาชะเมื่อวันนะสี่เหล่านี้รวมกันเป็นบุคคลสองจำพวกคือหนึ่งพวกที่ดำรงอยู่ในธรรมดำมีวินยูชนติเตียนจำพวกหนึ่งสอง พวกที่ดำรงอยู่ในธรรมขาวมีวินยูชนสรรเสริญจาพวกหนึ่งในเรื่องที่พวกพราหมณ์กล่าวว่าวันนะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวินยูชนทั้งหลายย่อมไม่รับรองถ้อยคำของพราหมณ์เหล่านั้นเพราะว่าบรรดาวันนะสี่เหล่านี้ผู้ใดเป็นภิกษุอรหันตขีนาศพอยู่จบพรหมจรรย์หลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบ ผู้นั้นเรียกได้ว่าเป็นผู้เลิศด ก, กว่าคนทั้งหลายในวันณสี่เหล่านั้นโดยธรรมะเท่านั้นไม่ใช่อธรรมเพราะธรรมะเท่านั้นประเสริฐที่สุดในหมู่ชนทั้งในโลกนี้และโลกหน้าวาเสษฐะและพารัตวาชะพระเจ้าปเะเสนที่โกศนทรงทราบว่าพระสมณะโคดมสเสด็จออกผนวชจากสกยาตรกูล ที่ถือว่าเสมอเท่าเทียมกันกับตระกูลของพระองค์พระเจ้าประเสนที่โกศลทรงกระทาการนอบน้อมอภิวาต้อนรับในราวตถาคตไม่ใช่ด้วยเพราะชาติกําเนิดหรือวันนะโดยที่แท้พระองค์ทรงสักการะเคารพนับถือบูชาธรรมะโดยเหตุผลนี้เธอพึงทราบอย่างนี้ว่าธรรมะเท่านั้นประเสริฐที่สุดในหมู่ชนทั้งในโลกนี้ และในโลกหน้าวาเสตทะและภาระทวาชะเธอทั้งสองมีชาติกำเนิดมีชื่อมีโคตมีตระกูลต่างกันออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเมื่อมีผู้ถามว่าท่านเป็นพวกไหนพึงตอบเขาว่าเราเป็นพวกพระสมณะสักยะบุตรดังนี้เถิดผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นในตถาคตประดิษฐานมั่นคง ที่แม้สมณพราหมณ์เทพมารรมหรือใครๆในโลกทำให้วันไหวไม่ได้ข้อนี้คือทำให้เลิกศรัทธามั่นคงในพระพุทธเจ้าไม่ได้ควรจะเรียกผู้นั้นว่าเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากพระโอษของพระผู้มีพระภาคเกิดจากพระธรรมอันพระธรรมเนรมิตรขึ้นเป็นทายาทของพระธรรมข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะคําว่าธรรมกายก็ดีรมกายก็ดีธรรมพูดก็ดีพรมมพูดก็ดีล้วนเป็นชื่อของตถาคตว่าเศรษฐและภารัตววชะสมัยหนึ่งครั้นเวลาล่วงเลยมาช้านานโลกนี้เสื่อมเมื่อโลกกําลังเสื่อมเหล่าสัตว์ส่วนมากไปเกิดที่โรมโลกชั้นอภัสระนึ้คิดอะไรก็สําเร็จได้ตามปรารถนา มีปีติเป็นพักษาคือเป็นอาหารมีรัศมีส่านออกจากร่างกายเที่ยวสัญจรไปในอากาศอยู่ในวิมานอัน ง, งดงามสถิตยอยู่นานแสนนานครั้นเวลาล่วงเลยมาช้านานโลกนี้เจริญขึ้นเมื่อโลกกำลังเจริญขึ้นเหล่าสัตว์ส่วนมากจุดติจากโรมโลกชั้นอภัสระมาเป็นมนุษย์ในยุคแรกข้อนี้หมายความว่าสัตว์เหล่านั้น แม้มาเกิดในมนุษยโลกก็ยังเป็นอบปฏิกะเกิดขึ้นด้วยใจที่บรรลุอุปจาระฌานอย่างเดียวกันมนุษย์ในยุคแรกนั้นนึกคิดอะไรก็สำเร็จได้ตามปรารถนามีปีติเป็นพักษาเหมือนครั้งที่เป็นพรหมมีรัศมีสร้างออกจากร่างกายเที่ยวสัญจรไปในอากาศอยู่ในวิมานอัน ง, งดงามสถิตยอยู่นานแสนนาน ความปรากฏแห่งง้วนดินสมัยนั้นทั่วทั้งจักรวาลนี้แหละเป็นน้ำทั้งนั้นเมื่อดมดอนท ก, การดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงดาวนักสัตว์ทั้งหลายยังไม่ปรากฏกลางคืนกลางวันฤดูละปีก็ยังไม่ปรากฏหญิงชายก็ยังไม่ปรากฏสัตว์ทั้งหลายปรากฏชื่อแต่เพียงว่าสัตว์เท่านั้นครั้นเวลาล่วงเลยมาช้านาน เกิดง้วนดินลอยอยู่บนน้ำปรากฏแก่สัตว์เหล่านั้นดุดน้ำนมที่บุคคลเคี่ยวให้แห้งแล้วทำให้เย็นสนิทจับเป็นฝาอยู่ข้างบนง้วนดินนั้นสมบูรณ์ได้สีกลิ่นรสมีสีเหมือนเนยใสหรือเนอยข้นอย่างดีมีรสอร่อยเหมือนน้ำพึ่งมิ้มที่ไม่มีตัวอ่อนในรังข้อนี้เป็นการเปรียบเทียบกับสิ่งของในสมัยนั้นที่เป็นรสเลิศ เพื่อความเข้าใจของผู้ฟังในยุคนั้นต่อมาสัตว์ผู้หนึ่งมีนิสัยโลภ ก, กล่าวว่าท่านผู้เจริญสิ่งนี้จะมีรสเป็นเช่นไรแล้วใช้นิ้วช้อนง้วนดินขึ้นมาลิ้มดูเมื่อเขาใช้นิ้วช้อนง้วนดินขึ้นมาลิ้มดูอยู่รสง้วนดินได้แผ่ซ่านไปเขาจึงเกิดความอยากในรสแมสัตว์เหล่าอื่นก็พากันทาตาม จึงเกิดความหยากในรถขึ้นเช่นเดียวกันสำหรับเนื้อหาในพระสูตรนี้โปรดพึงระลึกไว้นะครับว่าคำว่าสัตว์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงสัตว์ที่เราเข้าใจในปัจจุบันแต่หมายถึงสิ่งที่ปรากฏขึ้นในช่วงต้นกาเนิดโลกมนุษย์หรืออาจเรียกได้ว่าคำว่าสัตว์แทนคำว่ามนุษย์ในยุคแรกทั้งหมด ปรากฏแห่งดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เป็นต้นต่อมาสัตว์เหล่านั้นพากันใช้มือปั้นมวลดินให้เป็นคำคำเพื่อจะบริโภคจึงทําให้รัศมีที่สร้างออกจากร่างกายของสัตว์เหล่านั้นหายไปเมื่อรัศมีที่สร้างออกจากร่างกายหายไปดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็ปรากฏขึ้นแทนและเป็นปัจจัยให้สิ่งอื่นปรากฏตามมาดังนี้คือดวงดาวนักสัตว์กลางคืนกลางวัน เดือนหนึ่งครึ่งเดือนฤดูและปีก็ปรากฏด้วยเหตุเพียงเท่านี้โลกนี้จึงได้กลับปื้นขึ้นอีกข้อนี้หมายถึงมนุษย์ในยุคแรกก็มีร่างเป็นอบปฏิกะเช่นเดียวกับรพระพรหมซึ่งมีแสงสว่างในตัวเองปรากฏครั้นแสงสว่างในตัวเองหายไปก็มีสิ่งอื่นมาแทนนั่นก็คือดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นั่นเอง สัตว์เหล่านั้นคือมนุษย์ผู้มีสภาพเป็นอปฏิกะเมื่อบริโภคงัวดินเป็นอาหารนานเข้าจึงมีร่างกายหยาบขึ้นทั้งผิวพันธุ์ก็ปรากฏแตกต่างกันบางพวกมีผิวพันธุ์งามบางพวกมีผิวพันธุ์สามจึงเกิดมานะคือการถือตัวดูหมิ่นกันเพราะการดูหมิ่นกันเรื่องผิวพันธุ์เป็นปัจจัยหัวดินจึงหายไปสัตว์เหล่านั้น ตังพาก้นหวยหารสอร่อยที่หายไปเมื่ง้วนดินหายไปสเกตดินก็ปรากฏขึ้นคล้ายเห็ดมีรสอร่อยสัตว์เหล่านั้นจึงได้พากันบริโภคสเกตดินเป็นอาหารเป็นระยะเวลานา น, านแสนนานต่อมาจึงมีร่างกายหยาบขึ้นอีกทั้งผิวพันธุ์ก็ปรากฏแตกต่างกันสัตว์บางพวกมีผิวพันธุ์งามบางพวกมีผิวพันธุ์ซามเกิดการดูหมิ่นถือตัวกันอีก ที่สุดสะเก็ดดินก็หายไปเมื่อสะเก็ดดินหายไปเครือดินก็ปรากฏคล้ายเถาวผักบุ้งสมบูรณ์ด้วยกลิ่นมีรสอร่อยเวลาผ่านไปอีกนานร่างกายก็หยาบขึ้นอีกเกิดการดูหมิ่นถือตัวเพิ่มขึ้นอีกเครือดินจึงหายไปเมื่อเครือดินหายไปต่างพากันโหยหาถูกทุกระทมกระทบเข้าก็พากันบ่นเพ้อว่า เราเคยมีของสิ่งนี้แต่เดี๋ยวนี้ของของเราหายไปแล้วหมายเหตุ hate, สำหรับง้วนดินสเก็ปดินและเครือดินเป็นการเปรียบเทียบให้คนสมัยนั้นเข้าใจโปรดฟังเพื่อจับสาระเป็นหลักเท่านั้นเพื่อประโยชน์ของท่านเองนะครับเมื่อเครือดินของสัตว์เหล่านั้นหายไปแล้วข้าวสาลีอันมณีผลในที่ที่ไม่ต้องไถ ไม่มีรำไม่มีแกลบบริสุทธิ์มีกลิ่นหอมมีเมล็ดเป็นข้าวสารก็ปรากฏที่ที่พวกเขาเก็บเกี่ยวข้าวสาลีไปเพื่อเป็นอาหารเย็นในตอนเย็นก็กลับมีข้าวสาลีงอกสุกขึ้นได้ในตอนเช้าที่ที่พวกเขาเก็บเกี่ยวข้าวสาลีไปเพื่อเป็นอาหารในตอนเช้าก็กลับมีข้าวสาลีงอกสุกขึ้นได้ในตอนเย็นความร่องไม่ปรากฏเลยครั้งนั้น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 อวัยวะเพศชายปรากฏแก่ผู้เป็นชายกล่าวกันว่าหญิงเพ่งดูชายและชายก็เพ่งดูหญิงนานเกินไปจึงเกิดความกำหนัดขึ้นชนเหล่านั้นจึงได้เสพเมถุนธรรมคือร่วมเพศกันสมัยนั้นสัตว์เหล่าใดเห็นสัตว์เหล่าอื่นกำลังเสพเมถุนกันจึงคว้างฝุ่นใส่บ้างควางขี้เท่าใส่บ้าง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 ต่อมาจึงพากันสร้างเรือนขึ้นเพื่อปกปิดอสัตธรรมนั้นก็คือการเสพเมถุนสัตว์บางคนเกิดความเกียดคร้านในที่นี้หมายถึงมนุษย์ในระยะแรกๆที่เปลี่ยนสภาพมาจากเทพจึงมีความเห็นอย่างนี้ว่าเรานี้ช่างลำบากเสีย จ, จริงที่ต้องนําข้าวสาลีมาเพื่อเป็นอาหารเย็นในตอนเย็นและเพื่อเป็นอาหารเช้าในตอนเช้าทางที่ดี เราควร น, นําข้าวสาลีมาครั้งเดียวให้พอเพื่อเป็นอาหารเช้าและอาหารเย็นต่อแต่นั้นมาเขาจึงนํำข้าวสาลีมาเพียงครั้งเดียวเพื่อเป็นอาหารเย็นและอาหารเช้าและได้ชักชวนผู้อื่นให้ทําตามซึ่งต่างก็ทําตามกันเพราะเห็นว่าสะดวกสบายจากที่เคยนํามาเก็บไว้กินแค่หนึ่งวันก็เพิ่มขึ้นเป็นไปเก็บมาครั้งเดียวเก็บไว้กินได้ถึงสองวัน แล้วก็เพิ่มขึ้นทีละวันจนถึงเก็บไว้ได้ถึง8ดวันเพราะสัตว์ทั้งหลายพากันบริโภคข้าวสาลีที่สั่งสมไว้ดังนั้นด้วยเหตุแห่งความเห็นแก่ตัวเหล่านั้นข้าวสาลีจึงมีรมหอมเมล็ดบ้างมีแกลบผู้มเมล็ดบ้างต้นที่ถูกเกี่ยวแล้วก็ไม่กลับงอกขึ้นอีกความร่องได้ปรากฏให้เห็นจึงได้มีข้าวสาลีเป็นหย่อม ครั้งนั้นสัตว์เหล่านั้นจึงประชุมกันครั้นแล้วต่างพากันปรับทุกว่าท่านผู้เจริญบาปทำปรากฏในสัตว์ทั้งหลายแล้วด้วยว่าในการก่อนพวกเรานึกคิดอะไรก็สำเร็จได้ตามปรารถนามีปีติเป็นอาหารเที่ยวสัญจรไปในอากาศอยู่ในวิมานงดงามต่อมาร่างกายหยาบขึ้นเพราะกินหัวดินและไล่ตามลำดับมาจนถึงการกินข้าวสาลีที่ปราณีต จนมาถึงวันนี้เกิดการกักตุนความร่องได้ปรากฏให้เห็นจึงได้มีข้าวสาลีที่หยาบขึ้นไม่บริบูรณ์เหมือนเดิมเกิดเป็นย่อมย่อมทางที่ดีเราควรแบ่งข้าวสาลีและปักปันเขตดแดนกันเถอะครั้งนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงพากันแบ่งข้าวสาลีและปักปันเขตแดนกันต่อมาสัตว์ผู้หนึ่งมีนิสัยโลภรักษาส่วนของตนไว้แล้ว คือเอาส่วนอื่นที่เขาไม่ให้มาบริโภคคือขโมยนั่นเองคนทั้งหลายจับเขาได้จึงบอกให้เขาสัญญาว่าอย่าทำกรรมชั่วอย่างนี้อีกเขาก็รับปากว่าจะไม่ทำอีกแต่ต่อมาครั้งที่สองเขาก็ทำอีกครั้งที่สามก็ยังทำอีกคนเหล่าอื่นจึงใช้ฝ่ามือบ้างก้อนดินบ้างท่อนไม้บ้างทำร้ายเพราะเรื่องนั้นเป็นเหตุ การขโมยจึงปรากฏการขระหาจึงปรากฏการพูดเท็จจึงปรากฏการถือทันทาวุธจึงปรากฏครั้งนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงได้ประชุมปราบทุกข์กันว่าท่านผู้เจริญบาปทำปรากฏในหมูสัตว์แล้วทางที่ดีเราควรสมมุติคือแต่งตั้งสัตว์ผู้หนึ่งซึ่งจะว่ากล่าวผู้ที่ควรว่ากล่าว ติเตียนผู้ที่กวนติเตียนขับไล่ผู้ที่กวนขับไล่โดยชอบพวกเราจะแบ่งปันข้าวสาลีให้แก่สัตว์ผู้นั้นครั้นแล้วสัตว์เหล่านั้นจึงเข้าไปหาท่านที่มีรูปงดงามหน้าดูหน้าเลื่อมใสน่าเกรงขามกวา่าแล้วจึงเชิญเขาให้ทากิจนั้นผู้นั้นรับคำแล้วได้ทำตามนั้นทุกอย่างเพราะเหตุที่สัตว์นั้นอันมหาชนสมมุต หรือแต่งตั้งฉะนั้นคำแรกว่ามหาสมมุตจึงเกิดขึ้นเพราะเหตุที่สัต์นั้นเป็นใหญ่แห่งที่นาทั้งหลายฉะนั้นคำที่สองว่ากษัตริยจึงเกิดขึ้นเพราะเหตุที่สัต์นั้นให้ชนเหล่าอื่นยินดีได้โดยชอบธรรมฉะนั้นคำที่สามว่าราชาจึงเกิดขึ้นด้วยเหตุดังกล่าวานี้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 แวดวงพรามครั้งนั้นสัตว์บางพวกได้มีความคิดอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญบาปรรมเกิดขึ้นในหมู่สัตว์แล้วทางที่ดีพวกเราควรลอยบาปอากุศลละธรรมทิ้งเสถเธดสัตว์เหล่านั้นจึงได้พากันลอยบาปอากุศลละธรรมนั้นทิ้งไปฉะนั้นคำแรกว่าพรามจึงเกิดขึ้น พรามเหล่านั้นจึงสร้างกระท่อมมุงด้วยใบไม้ไว้ในราวป่าแล้วบำเพ็ญฌานอยู่ในกระท่อมที่มุงด้วยใบไม้ น, นั้นพรามเหล่านั้นไม่มีการหุงต้มไม่มีการตําข้าวพากันเที่ยวไปยังหมู่บ้านตำบนและเมืองแสวงหาอาหารเพื่อเป็นอาหารเย็นในตอนเย็นเพื่อเป็นอาหารเช้าในตอนเช้าพวกเขาได้อาหารแล้วก็บำเพ็ญฌานอยู่ในกระท่อมมุงด้วยใบไม้ในราวป่านั้นเที่ยวอีก หมู่มนุษย์พบเขาแล้วจึงกล่าวว่าสัตว์เหล่านี้บำเพ็ญชานอยู่ในกระท่อมที่มุงด้วยใบไม้มีข้อปฏิบัติดังกล่าวมาเพราะพวกเขาบำเพ็ญชานอยู่คําที่สองว่าชายกาจึงเกิดขึ้นในจํานวนสัตว์เหล่านั้นสัตว์บางพวกเมื่อใบบรรลุฌานนั้นในกระท่อมที่มุงด้วยใบไม้ในราวป่าจึงเที่ยวไปยังหมู่บ้านและนิคมที่ใกล้เคียงกัน พากันทำำําคาพีอยู่มนุษย์ทั้งหลายเห็นเขาดังนั้นแล้วคําที่สามว่าอัจฉายกาจึงเกิดขึ้นสมัยนั้นคําว่าอัจฉายกานั้นถือกันว่าเป็นคาเลวแต่ในสมัยนี้คาว่าอัจฉายกานั้นถือกันว่าประเสริฐด้วยเหตุดังกล่าวมานี้จึงได้เกิดมีแวดวงพรามนั้นขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นเท่านั้นไม่มีแก่สัตว์เหล่าอื่น มีแก่สัตว์พวกเดียวกันเท่านั้นไม่มีแก่สัตว์ที่ไม่ใช่พวกเดียวกันมีโดยธรรมเท่านั้นไม่ใช่โดยอาธรรมตามคำโบราณที่เกี่ยวข้องกับพิษฎีว่าด้วยต้นกาเนิดของโลกก็ธรรมะเท่านั้นประเสริฐที่สุดในหมู่ชนทั้งในโลกนี้และโลกหน้าแวดวงแพทย์แพทย์ในที่นี้สะกดด้วยสอสลายย่อยักการันนะครับ คือการค้าขายการทําธุรกิจบรรดาสัตว์เหล่านั้นบางพวกยึดมั่นเมถุนธรรมเมถุนธรรมแปลว่าธรรมะแห่งการดําเนินชีวิตของคนคู่หมายถึงอสัตธรรมซึ่งเป็นประเวณีของชาวบ้านถ้าตามนัยะของผู้ประพฤติธรรมหรือนักบวชข้อนี้ถือเป็นมารยาทของคนชั้นต่ํากิริยาชั่วหยาบ มีน้ำเป็นที่สุดเป็นกิจที่ต้องทำในที่ลับต้องทำกันสองต่อสองบรรดาสัตว์เหล่านั้นบางพวกยึดมั่นเมถุนธรรมแล้วแยกประกอบการงานที่แตกต่างออกไปในที่นี้หมายถึงการงานที่ทําให้มีชื่อเสียงโดดเด่นเช่นโคปะกะกรรมการรักษาความปลอดภัยพานิชยกรรมการค้าขายเพราะเหตุที่สัตว์เหล่านั้น ยึดมั่นเมถุนธรรมแล้วแยกประกอบการงานที่แตกต่างออกไปฉะนั้นคำว่าเวศสาจึงเกิดขึ้นด้วยเหตุดังกล่าวมานี้จึงได้เกิดมีแวดวงแพทย์นั้นแวดวงสูตรสูตรในที่นี้สะกดด้วยสอสลาสระูทธานรอเรือหมายถึงวันนะผู้ใช้แรงงาน บรรดาสัตว์เหล่านั้นสัตว์ที่เหลือประพฤติตนโหดร้ายทำงานต่ำต้อยเพราะสัตว์เหล่านั้นประพฤติตนโหดร้ายทำงานที่ต่ำต้อยฉะนั้นคำว่าสูตรจึงเกิดขึ้นด้วยเหตุดังกล่าวมานี้จึงได้เกิดมีแวดวงสูตรนั้นวาเสตฐะและภารัทวาชะก็สมัยที่กษัตริย์รามแพทย์สูตรติเตียนธรรมะของตน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 กับพิสดีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกก็ธรรมะเท่านั้นประเสริฐที่สุดในหมู่ชนทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเรื่องการประพฤติทุจริตเป็นต้นว่าเสถะและภารัวาชะแม้กษัตริย์รามแพทย์สูตรหรือสมณนะทั้งหมดทุกวันนะหากประพฤติกายทุจริต วาจีทุจริตมโนทุจริตคือทำชั่วด้วยกายวาจาใจมีความเห็นผิดและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นผิดเพราะการชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นผิดเป็นเหตุหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตหรือนรกในทางตรงกันข้ามหากประพฤติดีทางกายวาจาใจหลังจากตายแล้ว ชนทุกวันนะจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์วาเศรษฐะและภารถวชะแม้กษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรหรือสมณะผู้ประพฤติดีทั้งกายวาจาใจทั้งประพฤติชั่วทั้งกายวาจาใจทั้งมีความเห็นผิดและมีความเห็นชอบหลังจากตายแล้วเขาจะเสวยทั้งสุขและทุกข์ข้อนี้เป็นการสรุปว่า ไม่ว่าวันณะใดทำชั่วย่อมเป็นทุกข์ทำดีย่อมเป็นสุขทำทั้งชั่วและดีก็จะได้ทั้งสุขและทุกข์ผลกรรมส่งผลให้เสมอกันไม่ว่าจะเป็นวันณะใดก็ตามการเจริญโพธิปัจิยธรรมวาเสตทะละภารัวาชะกษัตริย์รามแพทย์สูตรหรือสมณะผู้สารวมกายวาจาใจ อาศัยเจริญโพธิปัจิยธรรมเจ็ดหมวดแล้วจะปรินิพพานในโลกนี้ทีเดียวบรรดาวันณะทั้งสี่เหล่านี้ผู้ใดเป็นภิกษุอรหันตขีณาศพอยู่จบโรมจรันแล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบผู้นั้นเรียกได้ว่า เป็นผู้เลิศกว่าคนทั้งหลายในวันณสี่เหล่านั้นโดยธรรมะเท่านั้นไม่ใช่โดยอธรรมเพราะธรรมะเท่านั้นประเสริฐที่สุดในหมู่ชนทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าวาเศรษฐะและภารัตวชะสมดังคาถานี้ที่สนังกุมารพรมกล่าวไว้ว่าในหมู่ชนที่ถือตระกูลเป็นใหญ่กษัตริย์จัดว่าประเสริฐที่สุด ส่วนท่านผู้เพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะจัดว่าเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่เทพและมนุษย์ว่าเศรษฐะและภารัวาชะสนังกุมารพรกล่าวคาถานั้นไว้ชอบกล่าวไว้ถูกต้องมีประโยชน์เราเห็นด้วยทีเดียวแม้เราก็กล่าวอย่างเดียวกันนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระาสิทธินี้แล้ว ว่าเศรษฐะสามาเณรและภารทวาชะสามาเณรมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วแหลจบอคัญยสูตรว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกและวันนะสี